นี่คือรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระชายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกๆวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเจ็ดวันเรามาไม่เคยขาดโดยในช่วงนี้ก็จะมีอัตมาพระไพบูลอภิปุโ น, โนจากวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำ โดยในวันจันทร์คือเมื่อวานนี้ก็จะนําเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลของธรมธรมะธรรมะชนิดที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละเป็นปริยัติที่ในลักษณะที่ไม่เป็นงูพิษก็ได้อธิบายกันให้ฟังคร่าวๆกันไปแล้วในวันอังคารก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆในวันพุธก็จะเป็นตอนที่นําคําถามนาท่านผู้ฟัง มีคําถามใดๆจะเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าข้อคิดเห็นให้เจ้าหน้าที่ทีมงานที่อยู่ทั้งทางหน้าใหม่หรือหลังใหม่เนี่ยได้รับทราบข้อเขียนกันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นคุณไม่ว่าจะเป็นคุณปัญญาชมจําปีคุณเอกพง์นพสกุลหรือว่าคุณทรงพลชูเวศเจ้าหน้าที่หลังใหม่ส่วนทางหน้าใหม่ก็จะมีอาตมาพระไพบูุ์อภิปุนโนแล้วก็โดยการติดต่อสื่อสารกับทางรายการนั้นก็ ส่งมาได้ที่รายการธรรมรัตบบนณทางสถานีวิทยุกจัยเสียงประเทศไทยทางถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพ 104.00 หรือว่าจะติดต่อมาทางเว็บไซต์ก็ได้ก็ไปที่เว็บไซต์ P วธร m ม .com puredhamma.com แล้วก็เขียนใส่ในข้อคิดเห็นที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ ในวันนังคาณนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันที่อาจมาจะพูดถึงนี่อาจจะไม่เหมือนกับที่หลายๆท่านเข้าใจกันสักนิดหนึงก่อนจึงต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัจจุบันซะหน่อยคําว่าปัจจุบันนี่เป็นคําที่มีความหมายแฝงเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้ามีปัจจุบันมันก็จะต้องมีอดีตอนาคตสช่ไมต้องมีการเปรียบเทียบกันระหว่างอดีตอนาคตปัจจุบัน เพรนเรื่องที่เป็นปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราจะรับรู้สิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องรับรู้ทางตาไม่ทางตาก็ทางหูล่ะไม่ทางหูก็ทางจมูกลิ้นกายหรือใจสักทางใดทางหนึ่งเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ทางเกิดขึ้นในปัจจุบันยังปัจจุบันเกิดขึ้นอะไรเราก็รับรู้ทางข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่กระดูทีวีฟังวิทยุซึ่งก็มาทางตาทางหูหรือว่ามีคนเล่าให้ฟังเรามาคิดใคร่โครนดูและเป็นประเด็นอะไรต่างๆขึ้นมา เพราะฉะนั um galaxies, user, ้นมันจะไม่หลุดพ้นออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจเรื่องที่เป็นอดี az, ตก็เหมือนกันก็ต้องรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องที่เป็นอนาคตล่ะก็ต้องรับรู้ทางนี้เหมือนกันอย่างสมุตติธรรมาบอกว่าในอนาคต10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้ามีคนพยากรณ์ว่าโลกจะแตกโลกจะเป็นอย่างนั้นโลกจะเป็นอย่างนี้เราก็รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าจะบัญญัติอะไรขึ้นมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเวลานะเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นของที่ไม่ประกอบด้วยการนะใช้คํำภาษาบาลีที่เรียกว่าอากาลิกโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยการนี่หมายความว่ามันไม่เสื่อมตามการเวลาอย่างเช่นเราพูดถึงต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งนี้มีอายุเท่าไหรนะ่ตัวมาเท่าไหร่แล้วมันจะมีมันจะตายไปตอนกี่ปีนะมีอายุกี่ร้อยปีก็ตามมันก็ต้องถึงวันที่เสื่อมไปเพราะฉะนั้นจะเป็นต้นไม้มจะเป็นแฟชั่น จะเป็นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าคอมพิวเตอร์ของอะไรต่างๆในโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาในเวลาในที่นี้อย่างเช่นเอาง่ายๆเช่นเครื่องแบบผู้ชายอย่างเงี้ยเมื่อสมัยก่อนในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือว่าในสมัยทุนทนบุรีหรือว่าต้นๆรัตนโกสินทร์เนี่ยผู้ชาย เ, ยเขาไม่ใส่เสื้อกันเดินไปไหนก็เปลือยท่อนบนนั่นนุ่งจุงกระเบนโอ้โหทันสมัยที่สุดลนะในอย่างดีหน่อยก็อาจจะมีเสื้อคลุมบ้าง นะถ้าเป็นเจ้าพระยามียศถาบรรดาศักดิ์ซึ่งในสมัยนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเปลี่ยนนะเปลี่ยนมาในสมัยรัชกาลที่5ก็มีเสื้อราชปรนะแดงต่อมาอีกก็มีใ ส, ส่สูทกางเกงขาบานกางเกงฟิตฟิแบบที่ใส่แล้วก็ยังนั่งไม่ได้ก็มีนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเป็นลักษณะของชุดสากลเสื้อพระรชาชทานแะไรต่างโอ้เป็นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะนี่คือลักษณะของการเปลี่ยนแปลง ไ, ไปตามกาลเวลา ผู้หญิงก็ไม่ใช่อยอดเหมือนกันนะก็จะมีกางเกงขาบานเดี๋ยวนี้เขาฮิตสายเดียวใช่ไหมมีเสื้อแฟชั่นแบบต่างๆซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าประกาศเอาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นพร ะ, ะพุทธเจ้าเนี่ยจึงต้องบัญญัติธรรมะในลักษณะที่มันจะไม่เปลี่ยนอย่างสมมุติว่าไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเราก็ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่หนีไปจากนี้ เพรนเวลาที่พระเจ้าสอนเนี่ยเราต้องเข้าใจบัญญัติของพระพุทธเจ้านะว่าเวลาจะประกาศอะไรออกมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งจะบัญญัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะให้นิยามคําใดคําหนึ่งเนี่ยมันจะต้องไม่ล้าสมัยนะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีวิทยุใช่ไหมเขาก็เอาจะเผยแผ่ธรรมะทำยังไงอ่ะก็เขียนใส่ใบลานนะหรือว่าทรงต่อพูดกันด้วยวิธีที่เรามุขปาฐะคือ พูดให้ฟังแล้วเธอก็จำมาไว้เธอจำไว้แล้วเธอก็พูดให้คนอื่นฟังต่อไปนะปากด้วยปากปากต่อปากนะอธิบายไปอธิบายไปสมัยต่อมามีใบาลานมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าการพิมพ์การสื่อสารเกิดขึ้นนะเรากลายมาเป็นใช้วิทยุใช้อินเทอร์อนเน็ตใช้สื่อวิดีโอนะใช้คลื่นสั้นอะไรต่างๆก็สามารถรับฟังได้รับชมได้ซึ่งก็เป็นธรรมะอันเดียวกันนั่นแหละเป็นธรรมะเหมือนกันกันกบที่พระพุทธเจ้า สอนให้เรารู้เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องมีอดีตอนาคตถ้าอา จ, จมาพูดปัจจุบันวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เมื่อรืนนี้กลายเป็นอดีตไปละสิ่งที่เราพูดเมื่อวานกับเมื่อเรื่อนี้ตอนนี้มันกลายเป็นอดีตไปแล้วยังเป็นปัจจุบันอยู่เมื่อวานยังเป็นปัจจุบันอยู่เมื่อรื่อนี้นตอนนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ปัจจุบันหรอกมันเสื่อมไปได้นะมันเสื่อมอยู่ตลอดเวลาไอ้ปัจจุบันเนี่ย เพราะมันเปลี่ยนแปลง ไ, ไปเรื่อยๆนะไอ้ที่บอกว่าปัจจุบันวันนี้พรุ่งนี้มันเปลี่ยนไปละบอกวันนี้ขาวน้าท่วมอีกสเดือน5เดือนเดี๋ยวมันก็หายไปนะ้นาําท่วมเมื่อปี2526ันห้ยยดนี้ก็ไม่มีใครพูดถึงนะมาพูดถึงอีกทีก็ตอนน้ําท่วมปี254 2538้า้าซึ่งมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆะฉะนั้นถ้าเราจะไปยึดถือหรือว่าแปลเปลี่ยนไปตามสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เ, ยเราก็จะมีความทุกข์กับสิ่งๆนั้นเปลี่ยนนแปปลงไี เพราะนั้นถเราจะมาพูดถึงเรื่องของความเป็นปัจจุบันเราควรจะพูดถึงเรื่องของความที่ไม่เป็นปัจจุบันคือพูดถึงความที่มันไม่เปลี ang, ่ยนแปลงหรืพูดถึงสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเป็นสิ่งที่จะคงที่คงตัวตลอดเวลาไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะสนใจกว่าพระพุทธเจ้าเคยพูดไว้อย่างนี้ในเรื่องของอดีตอนาคตปัจจุบันนะพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าบุคคลเนี่ย ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วแล้วก็ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนั่นคืออดีตปัจจุบันอดีตอนาคตนะในกรณีนี้แล้วก็สิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันล้าไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงนบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้เธอพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้โปร่งเธอ ตรงนี้มีนัยยะอย่างนี้เนี่ยที่พระเจ้าบอกว่าสิ่งที่เป็นอดีตเนี่ยไม่ควรคำนึงถึงเพราะมันล่วงไปแล้วสิ่งใดล่วงไปแล้วก็คือเป็นอันล่วงไปแล้วเราพูดถึงอดีตเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงปัจจุบันวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้หรือมื่อนนี้หรืออาทิตย์หน้าอาทิตย์ต่อๆไปโอ้ยเรื่องที่เราพูดไปนี่กลายเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยนะเพราะมันมันเลยไปแล้วไม่ควรคำนึงถึงไม่ควรมุ่งหวังถึงไม่ควรจะสิ่งใดละไปแล้วก็ลาะไปแล้วนะแล้วพูดถึงอนาคตล่ะ อนาคตพระุทเจ้าก็บอกว่ายัางมาไม่ถงึงไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันอยังไม่ถึงอนาคตที่เราจะพูดไปว่าเอออนาคตจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ก็มันยังมาไม่ถึงใช่ไหมแล้วก็ปัจจุบันล่ะพระพุทธเจ้าพูดถึงปัจจุบันอย่างนี้บอกว่าก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนเง่งไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้เห็นแจ้งธรร ม, งงมนนปัจจุบันนะท่านผู้ฟังฟังให้ดีเห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน ธรรมะในปัจจุบ er wow. okay you ันคือไม่ได้เห็นตัวปัจจุบันคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปยึดถือในความเป็นปัจจุบันเนี่ยสมมุติว่ามันจะมีเส้นเวลาอยู่เส้นหนึ่งเราบอกว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าโอ้ให้อยู่กับปัจจุบันพระพุทธเจ้าสอนให้อยู่กับปัจจุบันไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้อยู่กับปัจจุบันแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันปดพยัญชนะพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ให้เห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันกับอยู่กับปัจจุบันไม่เหมือนกัน คนที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยสมมติเราจับปัจจุบันขึ้นมาพวกเนี่ยพรุ่งนี้มันอดีตทันทีนะเพราะฉะนั้นมันมีความเสื่อมไปถ้าคุณจับปัจจุบันคุณจะต้องพ่วกมาด้วยทั้งอดีตอนาคตยังไงมันต้องมาเพราะมันเป็นเส้นเวลาเดียวกันถ้าเราจับปัจจุบันเราพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันแน่นอนเลยมันจะต้องไปอยู่ในกรุไหนสักกรุหนึ่งถูกเก็บเอาไว้สักที่ใดที่หนึ่งในอนาคตเพราะมันเก่าแล้วนี่กูความที่มันเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราจะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราพลาดีต ถ้าใครยึดถือปัจจุบันเนีย่ยสมมติอาจจะมีคนสอนว่าเออคุณต้องอยู่กับปัจจุบันนะแล้วปัจจุบันคืออะไรล่ะอาจจะเป็นลมหายใจกไ็ไอยู่กับงานที่ทําตอนนี้ข็ได้ตรงนี้มันมีออนยัยยะแฝงตรงที่ว่าเราอาจจะเพลิดเพลินไปในสิ่งที่เป็นปัจจุบันก็ได้ในอย่างคนที่บริโภคข่าวที่ในช่วงนี้อาจจะมีข่าวน้ําท่วมข่าวอื่นๆที่เมื่อฟังแล้วเนี่ยก็จะทําให้ไหลไปตามได้คือมีความเพลินไปในสิ่งนั้น บางคนเนี่ยบริโภคข่าวเนี่ยหชั่วโมง6ชั่วโมงนะเปิดช่องนี้แล้วก็ไปดูช่องนั้นแล้วก็ไปดูช่องอื่นต่อดูไปดูไปก็ซ้ําเรื่องเดิมย้ําเรื่องเดิมจน เ, เครียดออกมาเครียดแล้วก็อาจจะมีอาการป่วยทางด้านร่างกายต่างๆอันนี้เพราะว่าเขาอยู่กับปัจจุบันนะเพราะเขาอยู่ติดตามเหตุการณ์มันเครียดมากนะเพราะว่ายึดมีความยึดถือในสิ่งที่เป็นปัจจุบันเพลินไปแล้วนะเพลิดเพลินไปในสิ่งที่เป็นปัจจุบันทําให้เขาเนี่ย มีความทุกข์เกิดขึ้นนี่ทั้งคนที่เห็นปัจจุบันนะคนที่เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยยังมีอาการอย่างนี้และเราเห็นกันทั่วๆไปในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ในขณะนี้ในยิ่งมีสถานการณ์ที่ทําให้บ้านเมืองของเราเป็นอย่างนี้เนี่ยหรือว่าในช่วงที่มีการประท้วงกันเกิดขึ้นคนติดตามข่าวว่าอาจจะตายกี่ศพอันนี้จะเป็นยังไงใครจะมาทําอะไรต่อไปโอ้มันยิ่งเครียดหนักนะเพราะว่าเขาเพลินไปในปัจจุบันมีความยึดถือในความที่เป็นปัจจุบัน ปัจจุบันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่คนที่ยึดถือกับปัจจุบันอย่างนี้นี่แหละชื่อว่าเป็นผู้ที่เพลินไปในปัจจุบันปัจจุบันของคุณจะทําอันตรายคุณได้เพราะว่าสิ่งไหนที่เราเข้าไปยึดถือแล้วสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวสิ่งใดน่ากลัวเนี่ยสิ่งใดเป็นภัยสิ่งนั้นจะเป็นความทุกข์กัเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เห็นปัจจุบันเนี่ยให้เห็นแจ้งทําปัจจุบันเห็นแจ้งทําปัจจุบันกับอยู่กับปัจจุบันเหือน เห็นแจ้งพมปัจจุบันเป็นยังไงคือเป็นผู้ที่ไม่ง่อนเง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นคือหมายความว่าเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่ใช่ตนนสมมุติบอกว่าเราต้องเห็นปัจจุบันเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันใช่ไหมคุณอยู่กับอะไรคุณอยู่กับข่าวฟังข่าวโอ้โหข่าวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราอย่าไปยึดถือนั้นโดยความเป็นตัวตนสิ่งนั้นว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้เราอยู่กับลมหายใจเราอย่าไปยึดถือลมหายใจโดยความเป็นตัวตน เราอยู่กับสิ่งได้ละ่ะจะเป็นข่าวจะเป็นการปฏิบัติธรรมหรือจะเป็นสิ่งไหนก็นแล้วแต่งานในปัจจุบันที่เราทำํำบางคนไปทํางานทํางานบ้านหรือทํางานในที่ทํางานอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมใช่คุณจะต้องรู้แจ้งทาปัจจุบันโดยการไม่ยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนถ้าเราไม่ยึดถือปัจจุบันโดยความเป็นตัวตะนนะชื่อว่าเราไม่ได้อยู่ในเส้นเวลาของปัจจุบั น, น, นปัจจุบันเนี่ยความเป็นปัจจุบันอย่ามันจะมาทําอะไรเราไม่ได้ เมื่อ <mania> เป็นเช่นนั้นแล้วอดีตอนาคต um. จะแต่ต้องเราไม่ได้เลยเราจะเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้เพราะฉะนั้นอรมาจึงต้องขอบอกในเรื่องของความเป็นปัจจุบันเนี่ยว่าถ้าเราจะต้องการรู้เรื่องปัจจุบันนะคุณจะต้องเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันเห็นแจ้งทำปัจจุบันคือสิ่งที่เป็นปัจจุบันเราต้องเห็นแจ้งโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นของที่มีความเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างอื่นไปได้มันเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเดี๋ยวนี้มันเป็นไปอีกอย่างหนึ่งมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเราจะเป็นผู้ที่อยู่พาสุขได้แล้วบุคคลที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของที่ง่อนเง่นคือหมายว่าเป็นของที่ไม่ใช่ตนอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ไหลไปในอดีตไม่ไหลไปในอนาคตใครบอกว่าโลกจะแตกใช่ไหมเฮ้ยมันแตกแน่ล่ะ แต่ตอนนั้นฉันอาจจะอยู่หรือฉันจะไม่อยู่ก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ฉันเป็นยังไงสบายใจสบายใจเพราะว่าเราเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้มันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราก็ไม่เป็นทุกข์พอเราไม่เป็นทุกข์เราก็เป็นสุขอยู่เป็นสุขอยู่อยู่ที่ไหนก็สุขนั้นะไม่ต้องเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเพราะว่าหลุดออกมาจากวงจรนั้นแล้ว ในมีบางคนหลายคนนะพูดถึงสิ่งที่เป็นอนาคตสิ่งที่เป็นอดีตนะมีการพยากรณ์ต่างๆนาะนาะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนมันเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วแน่นอนอนาคตมันต้องเป็นอย่างโ น, น้นนะพูดกันไปต่างๆแล้วปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะปัจจุบันก็คือถ้าเราอยู่กับความที่เป็นของไม่ใช่ของเราความเป็นอนัตตานะเป็นผู้มีสติอยู่เราจะไม่ไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นเราจะพบว่าวันนี้เนี่ยสำคัญกว่าวันโลกแตก วันที่โลกจะแตกวันที่มีภัยวิบัติวันที่คนนั้นจะด่ากันอะไรยังไงเนี่ยมันจะไม่สําคัญเท่าวันนี้เพราะว่าเทาวันนี้เนี่ยเราเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของเห็นแจ้งในทางปัจจุบันเนี่ยเราจะสามารถผ่านวันนี้ไปได้อย่างสบายใจแเนรผ่านวันนี้ไปได้สบายใจพรุ่งนี้เราสบายใจต่อพรุ่งนี้สบายใจวันอื่นๆเราก็สบายใจต่อเราไม่จาเป็นต้องไปรอถึงวันที่โลกมันจะแตกวันที่จะมีปัญหาหรือวันที่เคยมีปัญหามาก่อนแล้วเราถึงจะค่อยปล่อยวางได้สบายใจได้ ไม่จำเป็นรักสบายใจวันนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าความตายเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะมันไม่เข้าใครออกใครมีสมุนแห่งความตายมากนะใครจะรู้ว่าบ้านเราแห้งๆอยู่ดีๆน้ําก็มาท่วมเราไม่ได้ทําอะไรสักนิดเดียวเลยมันก็มาท่วมเราได้นะถูกไฟฟ้าช็อตถูกสัตว์มีพิษทําร้ายความตายก็จะมาสู่เราได้ซึ่งความตายนี้มันมาง่ายมากนะเราเห็นชัดเจนในช่วงภัยพิบัติ ที่ผ่านๆมาแล้วบุคคลที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ เ, เปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกแล้วก็จะทําให้ตัวเองมีความทุกข์เกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหรเนี่ยเราก็มีความคิดว่าเฮ้ความตายเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราควรจะต้องเห็นสิ่งที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเนี่ยก็หมายความว่าเราจะต้องเห็นแจ้งในสิ่งที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่ว่าไหลไปตามปัจจุบันเพลินเป็นในปัจจุบันมายึดถือกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันแต่ให้เห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันถึงจะเรียกว่าธรรมปัจจุบันให้ดีที่สุดเห็นแจ้งในธรรมะที่เป็นปัจจุบันก็คือว่าเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่ใช่ของเราเนี่ยเป็นความเป็นอนัตตาคุณจะเห็นอนัตตาได้คุณต้องเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงคุณจะเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่่่เเทีีียยงงได้้คุณจะตตตออมมสสิินห็ู การเห็นของไม่เที่ยงเนี่ยคือเห็นตามที่เป็นจริงใช่ไหมจิตของคุณจะต้องมีสติแล้วก็มีสมาธิในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงปัจจุบันนะแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะกลายเป็นของที่เป็นอนัตตาสิ่งใดที่เป็นอนัตตาสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราก็จะเป็นผู้ที่สบายผาสุขอยู่ได้ไม่ว่าปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอดีตหรือว่าอนาคตที่เขาพูดมาจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง เราจะสบายอยู่ได้เป็นผู้ที่อยู่กับปัจจุบันได้อย่างดีที่สุดนะผู้ที่มีการอยู่ลักษณะอย่างนี้เนี่ย พ, พระปุจจาบอกว่าเป็นผู้ที่มีชีวิตแม้คืนเดียววันเดียวก็ยังดีกว่าคือตรงนี้หมายความว่าอยู่วันนี้เนี่ยยังมีชีวิตดีกว่านะไปรอวันตายคือวันตายแล้วเราเราเพิ่งจะยังไม่รู้เรื่องอะไรด้วยซ้ำนะเพราะนั้นที่อาจจะมีหลายๆท่านพูดว่าวันนี้วันปัจจุบันเนี่ย สำคัญกว่าวันโลกแตกนี้จริงๆเลยเป็นคําพูดที่สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าวันนี้ถ้าเราเห็นทําจิตได้อย่างนี้ในเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวเราของเราในเห็นแจ้งในธรรมะอันเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตก็ผ่านมาแล้วยังมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่วันนี้เนี่ยมีค่ามากกว่าอยู่ไปรอวันตายอยู่แล้วตายวันนี้ยังดีกว่าไปรอวันตายอีกหลายๆร้อยปี นะซึ่งถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างนี้เนี่ยจิตที่เป็นอย่างนี้จะเป็นจิตที่สบายนะวันนี้เราก็สบายพรุ่งนี้เราก็สบายสบายในการที่จะบริโภคข่าวได้อย่างสบายใจนะรู้ข้อมูลต่างๆได้อย่างสบายใจนะเป็นมีสุขมีทุกข์ใดๆเกิดขึ้นก็เป็นผู้ที่สบายใจอยู่ได้พูดถึงเรื่องที่เป็นปัจจุบันมายืดยาวโดยในยักษ์ของที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือปัจจุบันที่เป็นแบบอาาัจิย นะปัจจุบันแบบที่ไม่ประกอบด้วยการนะคือเห็นปัจจุบันโดย เ, เห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันนะเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตัวตนเราเห็นอย่างนี้อดีตอนาคตทำอะไรเราไม่ได้เนะพราะฉะนั้นถ้าเราจะบริโภคข่าวนะปัจจุบันอย่างที่เราที่พระุทธเจ้าพูดถึงเนี่ยแล้วเราจะบริโภคข่าวสิ่งที่เป็นปัจจุบันอย่างที่ชาวโลกเขาพูดถึงเนี่ยชาวโลกความหมายของปัจจุบันของชาวโลกก็อย่างหนึง่งใช่ไหมปัจจุบันในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็คือเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันก็อย่างหนึ่งก็จะเป็นอาการลิโกหลักของพระพุทธเจ้าของชาติโลกก็ยังเปลี่ยนแปลงด้วยเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเอาจิตที่เป็นแบบที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยจิตที่เห็นความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเป็นอนัตตาเนี่ยมาสังเกตความเป็นปัจจุบันของสิ่งที่เป็นปัจจุบันนี้เนีนเราจะพบว่าเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างสบายใจปัจจุบันนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรกัน มันก็ไม่หนีเรื่องน้ำท่วมเรื่องการเมืองเรื่องต่างๆนาน า, นาที่อาจจะมีบางคนพูดถึงขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้เนาะเพราะฉะนัะ้นถ้าเราบริโภคสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะเนื้อข่าวเกี่ยวกับน้ำท่วมบ้างนะข่าวการเมืองบ้างข่าวที่เกิดขึ้นนะชาวบ้านชาวช่องอะไรต่างๆเราจะเป็นผู้ที่มีความสบายใจอยู่ได้นะเป็นผู้ที่ไม่ข้นไม่งอนงอนแงน่ไม่คลอนแคลนในทำนั้น นะอดีตอนาคตเราก็สบายใจแล้วคนที่มีจิตอย่างนี้ท่านผู้ฟังคนที่มีจิตอย่างนี้เนี่ยจิตของเขาเนี่ยจะมีจิตที่ไม่ถูกฉุดดึงลากทึ้งนะไปโดยสิ่งที่เป็นตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจคือแ ม, อมาวม่าอย่างสมมติใครอ่านข่าวสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะอุ้ยเขาพูดถึงชื่อเราในทางไม่ดีโอโหจี๊ดขึ้นมา ท, าทันทีนั้นเ น, นี่มัน ป, ป, ป, ปัจจุบันนะเขาลงผ่าพาดถึหนังสือพิมพ์เนี่ยด่าเราว่าอย่างงั้นอย่างนี้นะว่า มีไม่มีความสามารถทำอะไรไม่เป็นโอมันจะเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีความทุกข์ขึ้นมาได้ทันทีแต่ถ้าเราเห็นข่าวปัจจุบันอย่างเนี้ยโดยความเป็นลักษณะที่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเรานะเราบริโภคข่าวเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่พาสุขอยู่ได้คือจิตของเราเนี่ยจะไม่แตกจะไม่ถูกฉุดกระชากดึงทึงรั้งไปโดยสิ่งเหล่านั้นไปโดยตาคู่จมูกลิ้นกายใจนะเราก็ คำดา่าคำสอปอรประจบอะไรก็ต่างๆก็จะทําอะไรเราไม่ได้แต่เราก็จะสบายใจอยู่ได้อันนี้ไม่ได้เรื่องใหญ่โตถึงกับเรื่องต้องเป็นการเมืองกันอะไรหรอกาแค่เรื่องบ้านๆในบ้านเราอะหรือว่าในที่ทํางานเราเนี่ยคนเข้ามาว่าเรามาด่าเราด้วยคําที่ไม่สุภาพด้วยคําที่เสียดสีเนี่ยเราจะเป็นผาสุกอยู่ได้งไงจิตเราจะสบายอยู่ได้ยังไงเนีนเพราะว่าเราอยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นนี่ ใช่ถ้าเราอยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นโดยความที่เห็นสิ่งนั้นเป็นของไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่มีจิตสบายไม่ถูกฉุดดึงรั้งไปลากไปโดยสิ่งนั้นและคนที่มีทำจิตอย่างนี้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคือบางคนทำไม่ได้ตลอดวั น, นทำได้เฉพาะบางช่วงเวลาในแต่และ ว, วันหรืออาทิตย์หนึ่งอาจจะทำได้แก่วันสองวันที่เหลือก็กระเจยกระเจิงละจิตของฉัน ถ้าเมื่อไรเราทำได้ตลอดเวลาตั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้สบายใจอยู่ได้ล้วบุคคลที่เป็นอย่างนีนะ้มีชีวิตอยู่วันเดียวคืนเดียวก็ดีแล้วนะนะมีนาทีนั้นเรามีความสุขเราสบายใจปัจจุบันนี้จะเป็นยังไงนะถ้าเราเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเราจะสบายใจอยู่ได้ในเรื่องของปัจจุบันนี้สิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆละ่ะ แต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามีความที่เป็นของคงที่คงตัวอย่างมากอยู่อย่างสิ่งที่เป็นพุทธวจนะอย่างเงี้ยสิ่งที่พุทธเจ้าประกาศสอนเอาไว้แล้วตั้งหลายพันปีก็ยังอยู่ในะให้เราเรียนรู้อยู่ในปัจจุบันหรือว่าแม้แต่สถาปริ ย, ยกรรมนะของความเป็นพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังมีความคงที่คงตัวอยู่มากอย่างเช่นโบสถ์วิหารเนี่ยก็จะมีสถาปริกกรรมที่เปลี่ยนค่อนข้างช้า นะมีความร่วมสมัยคือท่านสมัยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่ประกอบด้วยการเวลาเนอะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลามากหรืออย่างเครื่องแบบของพระอย่างที่เราใช้กันอยู่ในทุกๆวันนี้อย่างพระสงฆ์เนี่ยก็จะมีชีวรลสบงสังกติพวกนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงช้ามากนะคือยังมีความที่ไม่ประกอบด้วยการอยู่นะคือไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานั่นเองเครื่องแบบนี้เป็นมาตั้งหลาย พันปีแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่แต่เช่นว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไหลไปตามกาลเวลาไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเป็นสิ่งที่เป็นอากาลิโกเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มีอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองสิ่งต่างๆรอบตัวเร า, าจากมุมมองที่เป็นอากาลิโกมุมมองที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ตร ง, ตร ง, ตรงจุดศูนย์กลางของวงกลม Ios, วงกลมก็มีเส้นรอบวงมีสิ่งต่างๆรอบตัวไปหมดเลยลมันหมุนไปหมุนไปหมุนมาเนี่ยเราเป็นอยู่ตรงกลางเนี่ยเราจะนิ่งเฉยอยู่ได้สบายใจอยู่ได้นนะั้จิตของเราก็เหมือนกันให้เป็นจิตที่อยู่นิ่งตรงกลางนะไม่ไหลาตามความเปลี่ยนแปลงไปข้างบนข้างล่างซ้ายขวาหน้าหลังเป็นมายังไงถ้าเรานะิ่งเฉยอยู่ได้ในเห็นสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นของไม่ใช่ตนนจะทําอย่างนั้นได้จิตของคุณต้องเป็นจิตที่มีสมาธิเห็นตามที่เป็นจริง <Jub ilee> จิตจะเป็นสมาธิเห็นตามที่เป็นจริงได้นะคุณจะต้องมีความสุขมีความสุขนั้นก็เกิดจากความสุขที่เกิดจากในภายในเป็นปิติเป็นสุขจะเป็นอย่างนั้นได้เราต้องเป็นคนที่มีศีลนะมีความไม่ร้อนใจเมื่อมีศีลมีความไม่ร้อนใจมีปิติสุขอยู่เป็นความสุขที่เกิดจากในภายในเนี่ยก็จิตนั้นจะเป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิอย่างนี้ก็เห็นตามที่เป็นจริงได้เห็นตามที่เป็นจริงได้ก็ เป็นจิตที่สบายได้ไม่ไหลไปตามการเปลี่ยนแปลงซ้ายขวาหน้าหลังนะเห็นปัจจุบันหรือสิ่งต่างๆเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นปัจจุบันและสิ่งต่างๆเนี่ยโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะประสบพบเจอกับสิ่งใดก็แล้วแต่เราจะไม่ฉุดถูกฉุดกระชากลากดึงไปเดี๋ยวนี้ก็จะมีเทคนิคข่าวนะที่เขาเขียนแบบการใช้เทคนิคที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับการเล่นละครแต่ถ้าไม่ข่าวต่างๆข้อมูลต่างๆเนี่ยโอ้ยมันมันฉุดกระชากลากดึงจริงๆ นะดึงเราไปทางนู้นดึงเราไปทางนี้เฮ hey โลกันไปนู่นเฮโลกันไปทางนี้มันจะเป็นหลายสิ่งหลายอย่างไปเพราะฉนั้นถ้าเรามารู้ความจริงในข้อนี้ว่าอ๋อมันมีจุดยุดจุดหนึ่งที่ไม่ประกอบด้วยการไม่เป็นปัจจุบันอย่างที่เขาหลอกหลอกกันไม่เป็นอดีตอนาคตหละ่ะเพราะถ้ามีปัจจุบันก็จะมีอดีตอนาคตละ่ะแต่เป็นสิ่งที่เห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันแต่เป็นสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งภายนอกอย่างจุดศูนย์กลางของวงกลม เราจะสบายใจอยู่ได้เป็นผู้ที่ไม่ว่าจะประสบกับสิ่งไหนก็นิ่งเฉยสบายใจนจิตของเราไม่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเหล่านั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญนะ่ะมีคืนเดียวใช้ชีวิตอยู่วันเดียวคืนเดียวก็อย่างดีกว่าคนที่มีชีวิตอยู่เป็นร้อยรย้อยปีแต่ไม่รู้จักข้อมูล น, นี้เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่กับปัจจุบันคืออยู่ณนะวินาทีนี้ เห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันเห็นตัวเราโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกมีสติอยู่ในกายแต่ที่เราจะบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันใช่ไ้ยบอกเลยให้มีสติอยู่ในกายเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่ใช่ตนจะเป็นผู้ที่เห็นปัจจุบันอย่างแท้จริงในรายการธรรมรับรุนในวันนีนะ้ถ้าท่านผู้ฟังมีข้อมูลหรือต้องการเทปรายการขอเสนอแนะคาถาม หรือว่าข้อมูลใดๆที่จะมอให้ก็ให้ติดต่อกันมาได้ณนะที่รายการธรรมารัปรุณสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพหน0่งศหรือไม่ก็ทางเว็บไซต์ที่เพียวธรรมาร com ได้ก็จะสื่อสารให้ทางทีมงานรายการได้ทราบแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็ให้มาติดตามรับชมรับฟังในะาการธรรมารัปรุณในทุกๆวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งอย่นี้ จะริมปน